ทรงปารพเหตุที่จะบัญญัติสิกขาบท21่สิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกขึ้นห่ผมผ้าเฉวียงบาประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าที่พระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติสิกขาบททรงยกปฏิโม ข, ขึ้นแสดงแก่พระสาวกอันจะเป็นเหตุให้พรหมจันทร์ดำรงอยู่ได้ยืนนาน จงรอไปก่อนเถิดสารีบุตรตถาคตรู้เวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขาบทนั้นศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกไม่ยกปาธิโมขึ้นแสดงตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดอาสะวัฒนิยธรรมบางอย่างในสงเมื่อเกิดอาสะวัฒนิยธรรมบางอย่างในสง์ตถาคตจึงจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวก เพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอาสะวัานียธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เพราะมีภิกษุบวชนานเมื่อสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่เพราะมีภิกษุบวชนานและมีอาสะวัานียธรรมบางอย่างเกิดในสงฆ์ตถาคตจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอาสะ วัานียธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสง์ตราบเท่าที่สงยังไม่เป็นหมู่ใหญ่เพราะแพร่หลายเมื่อสง์เป็นหมยใหญ่เพราะแพร่หลายและมีอาสะวัานียธรรมบางอย่างเกิดในสง์ตถ า, าคตจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอาสะวัานียธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงตราบเท่าที่สง์ ยังไม่เป็นหมูใหญ่เพราะมีลาบสการะมากเมื่อสงเป็นหมูใหญ่เพราะมีลาบสการะมากและมีอาสะวัฒนิยธรรมบางอย่างเกิดในสงตถาคตจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปฏิโมกขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรอาสะวัฒนิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงตราบเท่าที่สงยังไม่เป็นโมใหญ่เพราะ ความเป็นพหูสูตรเมื่อสงเป็นหมู่ใหญ่เพราะความเป็นพหูสูตรและมีอาสะวัฒนียธรรมบางอย่างเกิดในสงแตถาคตจะบัญญัติ ส, สิกขาบทจะยกปาธิโมขึ้นแสดงแก่สาวกเพื่อขจัดธรรมเหล่านั้นสารีบุตรก็ภิกษุสง์ยังไม่มีเสนียดไม่มีโทษไม่มีสิ่งมัวหมองบริสุทธิ์ผุดพองดำรงอยู่ในสารคุณแท้จริงในภิกษุหอยรูปนี้